คือปกติอย่างที่เรารู้แล้วว่าการพิจารณาเนี่ยนะก็คือตอนชั้นแรกก่อนเห็นเป็นอนิจจังพวกขังอนัตตาอันนอย่างครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยอัฏฐาอัฏฐานี่หมายถึงว่า ว่ากันเป็นชาติชาติเลยใช่ไหมว่ากันเป็นชาติจะคิดว่ามันยังเอามากแล้วชาติหนึ่งอะบางคนมีสิทธิ์เกิดแค่สองชั่วโมงไงคิดอะไรมากโดยอา่าโดยอะไรอีก โ, โดยสมัยสมัยก็เช่นช่วเวลานั้นๆ น, นะนะชั่วครู่ชั่วยามชั่ววันเดือนปีอะไรเงรี้ยก็อันนี้ก็โดยสมัยถ้าโดยสัน ต, ติ สันติ์ก็ว่าเป็นสมุทฐานคธรรมะสมุทฐานจิตตะสมุทฐานอุตุสมุทฐานอาหารสมุทฐานแต่เบื้องหลังเล็กๆก็คืออะไรอะไรขณะถ้ามองแบบใหญ่ๆเลยนะถ้ามองแบบอัฐ า, านเนี่ยถ้าเป็นถนนนะมองเป็นสายมองแบบสายๆโอถนนสายเนี่ย เช่นถ้าเป็นทางหลวงไหยเบอร์ที่าไรถนนเบอร์สิบเอ็ดอย่างเงี้ยไหทางหลวงหมายเลขสิบเอ็ดเนี่ยยาวตั้งแต่ไหนถึงไหนอันนี้เขาเรียกว่ามองแบบอัธพานะถ้ามองแบบสมัยล่ะก็ทางหลวงเส้นนั้นแหละแต่ละจังหวัดเนี่ยนะผ่านกี่จังหวัดนั่นนะให้เรามองแบบจังหวัดจังหวัดจังหวัดไปแต่ถ้ามองแบบสันตติเนี่ยนะก็มองแบบกิโล หลักกิโลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สีไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆตามหลักกิโลเมตรเนี่ยอุปมาเหมือนกับโดยสันติแต่ถามว่าในทางหลวงเหล่านั้นเนี่ยมีทางเนี่ยอะไรมาทำพื้นฐานเอาดินมาถมลงอิดหินแล้วแต่ถนนอะไรคอนกรีตห้ปูนทรายหินปูนทรายถ้าถนนลาดยางก็อาศัยหินกับยาง ผสมกันเข้าก็มาอัดเป็นถนนก็เป็นเม็ดเล็กๆนะนะก็มองแบบยาวตอนกลางหน่อยแต่ว่าสาั้นลงมาสาั้นลงมาจนถึงแม้กระทั่งว่าถนนจริงๆก็คืออิดหินปูนทรายทรายเม็ดเล็ ก, ลกๆนะนะอย่างเขาเอาเม็ดเล็ ก, ลกๆนี่แหละมาถมกันฉันใดก็ดีชีวิตของเราทั้งหลายถ้ามองแบบเป็นชาติชาติมองแบบชั่วสมัยมองแต่ละสมุทฐานก็เหมือนกับแต่ละกิโลอย่างเนี้ยนะแล้วก็มามองจนละเอียดที่สุดก็คือเป็นขณะ เรียกว่าอุป า, าทิฏฐิและทางค่ะนันะถามว่าโดยอัฐาสมัยสันตติขณะเอากลัวที่สุดอันไหนน่ากลัวที่สุดในชีวิตเราอัฐาเนี่น่ากลัวไหมสมัยก็พอเราก็กลัวอยู่พอสมควรสันตติก็ก็ไม่ถึงกับกลัวเท่าไหร่นะขนายิ่งไม่ใหญ่เลยกลัวไม่ว่าโขไปเนี่ยมันติดดับติดระเกิด ด, ด, ด, ดับอย่างรวดเร็วนี่กลัวไหม ไม่ค่อยกลัวนะเพราะฉะนั้นให้ไปกลัวหยาบๆก่อนนะนะคอยเห็นละเอียดขึ้นละเอียดข <c oughs> ึ้นในการพิจเรณาเ น, เน้นมาที่สันตติก่อนเป็นลาดับแรกเอาทั้งหมดเนี่ยนะให้ที่จาจรณาโดยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้เราย้อนมาเฉพาะสันตติก่อน ต, ตัวสันตติทั้งหลาเนี่ยนะเช่นเน้นรูปเช่นกรรมมชรูปเป็นหลัก กรรมชม่ฉลุกถือว่าหนึ่งสันตติเดียวตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าแบ่งไปเช่นว่าโดยขณะจิตเอาจิตตสมุทฐานมาเป็นตัวตัดเช่นว่าชีวิตตอนกรรมชร่ฉตอนดีใจอย่างหนึ่งตอนเสียใจอย่างหนึ่งนะนะสีหน้าเราเนี่ยมันรูปอะไรกันแน่เคยคิดไหมสีหน้าเราเวลาส่องกระจกจริงๆคือรูปอะไรว่าตรงๆเลยคือกรรมชม่ฉล แต่ว่าตอนจิตแตเชรูปออกมานะสีหน้าดีใจเป็นยังไงกับตอนเสียใจตอนดีใจกับตอนเสียใจตอนก้วนกับผอมของมานี่ชักแยกแล้วไหมตอนแรกเขาบอกว่าท่านท่านเมื่อก่อนนี้ท่านเป็นผ้าเด็กๆตอนนี้เป็นหลวงพ่อไปแล้วเขาว่าอะไรก็บอกอ้วนขึ้นเมื่อเช้านั่งมากับผ้ารูปหนึ่งก็บอกว่า ผมใช่ไหมเขาบอกเอ๊ตอนนั้นจําไม่ได้ก็งั้นเขก็เล่าให้ฟังโอหเห็นแล้วจําได้แล้วก็บอกตอนนั้นผอมผอมเขาก็บอกว่าเราแย่เลยกันนี้ว่าอนาคตเหลืเกินเท่าไหร่ก็เอาอ้วนเอาผอมขึ้นมาก่อนหน้าเดิมนั่นแหละกรรมชะรูปอันเดิมนี่แหละก็เอาอาหารมาจับเพราะอ้วนผอมเกี่ยวกับเรื่องอาหารชะรูปแล้วก็อูตุก ปกตินะของเราก็ดำอยู่เลยไปสารกลับมาโยมอกมาดำมากเลยเขาบอกอย่างก็ว่าเราขาวนะเพราะงั้นก็อันนี้ก็เกี่ยวกับอุตุชลุกไหมกรมพื้นฐานปกติชีวิตเป็นกรรมชรูปแต่ก็เรื่องด้วยจิต ด, ด้วยตอนดีใจกับเสียใจตอนเกี่ยวกับเรื่องอาหารกับอุตุนี้ถ้าว่าเน้นกรรมมาชลุกเป็นพิเศษเนี่ยนะ อ่าซึ่งตัวจิตะชะรูปปตูชรูปอาหารชะรูปสิ่งเหล่านี้ก็มีผลต่อกรร ม, มชรูปอยู่แล้วนี้กร ม, มะชรูปเหล่านี้เพราะอะไรเกิดกรมจึงเกิดอวิชชาเกิดกรมจึงเกิดเพราะอีกปัญหาเกิดกรมจึงเกิดเพราะอีกกมเกิดกำมชรูปจึงเกิดกรรมกับกรร ม, มะชรูปโบราณนหม กรรมคือเจตนากรรมมาสรูปคือรูปแล้วก็อาหารชรูปจึงเกิดก็เนี่ยอาหารละคาว่าอาหารเกิดรูปจึนเกิดเนี่ยอมความถึงจิตสรูปอุตุชรูปอาหารชรูปแล้วก็ตัวรูปที่มันเกิดขึ้นเองเรียกว่านิพพติคือตัวความเกิดของรูปถามว่าอะไรเกิดอ่ก็รูปนั่นแหละมันเกิด เขรียกว่าปัญญาที่รู้ความเกิดเนี่ยนะอย่างรู้ถึงความเกิดปกติการรู้ความเกิดอย่างนี้เนี่เรียกว่ารู้ความเกิดนะเกิดมาจากคําว่าอุทยัยแดนอาอทิตย์อุทัยเรียกอะไรประเทศไหนญี่ปุ่นทําไมเขาถึงเรียกอย่างนั้นเขาบอบกว่าอาทิตย์มันเกิดที่นั่นจริงก็มันสว่างก่อนเราก็เลยเรียกว่าแดนอาอทิตย์อุทัยอันนี้ก็เหมือนการความเกิดขึ้นของรูปมันเป็นอย่างนี้ะนะ เรียกว่าอุทยะของรูปตามพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้กล่าวว่าแต่ละอย่างเกิดลอยลอยใช่ไหมไม่ได้เกิดลอยๆอยถือว่าทำเหล่าใดเช่นกรรมัชรูปมีเหตุเป็นเด่นเกิดฉะนั้นกล่าวถึงความเกิดเท่ากับกล่าวสมุทัยแล้วนะก็คือสมุทัยแต่ตัวสมุทัยที่เด่นเดนที่สุดก็คือตัวตันหาตันหานี้ถือว่าเป็นสมุทัยที่ใหญ่ของกรรมัชรูปทั้งหลาย วันอวิชาเกิดรูปจึงเกิดการหาเกิดรูปจึงเกิดการเกิดรูปจึงเกิดอาหารเกิดรูปจึงเกิดและเนปพติลักษณะของรูปรูปจึงเกิดขึ้นทีนี้ถ้าแดนตะวันตกเขาเรียกอะไรทางยุโรปนะเรียกประเทศฝั่งตะวันตกว่างั้นตอนนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็สายวยะวัยแปลว่าเสื่อมอุทยะวยะอุทยะเกิดวัยเสื่อม ถ้ารูปจะเสื่อมจริงๆเนี่ยนะของเราไม่เน้นว่าถือว่าตายแล้วจบใช่ไหมเมื่อไม่ถืออย่างนั้นบอกว่าถ้าอาวิชชาดับกรรมมาชรูปในวัตะต้องดับแน่นอนถ้าตันหาดับกรรมาชรูปในวัตฏะต้องดับถ้ากรรมดับรูปประดับถ้าของชาตินี้นะอาหารดับขาดอาหารดูสิตายแ น, น่แล้วก็ถึงนะอวิชชาก็ยังมีตันหาก็มีกรรมก็ยังมีอาหารก็ไม่ขาด ขนาดนั้นมันยังตายเลยอ่ะอันนั้นเรียกว่าตรงกันข้ามกับ น, นิพัติเรียกว่าวิปรินามะานะเรียกว่าวิปรินามะคือความเสื่อมความแตกทาลายแห่งรูปนั่นเองเพราะการพิจารณารูปเกิดโดยอาการห้าพิจารณาความเสื่อมแห่งรูปโดยอาการห้าพิจารณาความเกิดความเสื่อมแห่งรูปโดยอาการสิบครบนะ เพราะหนึ first, ่งเพราะวิชาเกิดรูปจึงเกิดสองเพราะตันหาเกิดรูปจึงเกิดสามเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดสี่เพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดแล้วก็นิพพัติลักษณะของรูปนี้ต่อไปห้าแล้วนะข้อฝ่ายเสื่อมก็เพราะวิชาดับรูปจึงดับหนึ่งสองเพราะตันหาดับรูปจึงดับสามเพราะกรรมดับรูปจึงดับสี่เพราะอาหารดับรูปจึงดับห้า วปรินามะลักษณะที่แปรปรวนไปแห่งรูปทีนี้เมื่อเห็นความแปรปรวนไปแห่งรูปอย่างนี้แล้วก็เห็นทั้งความเกิดเห็นความเกิดทวนอยีกครั้งละอะไรทิฏฐิละทิฏฐิอะไรอุดเฉยถ้าทิฏฐิเห็นความเสื่อมละอะไรสัจจะทิฏฐิไม่รู้คำตรงนี้พูดจนจําได้นี่ยนะพูดจนกว่าจะตอบได้ถูกหมดนะ่ย ทีนี้ต่อไปว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไตรลักษ์อ่ะตกลงเกี่ยวกับอะไรการ น, นิจังทุกขังอนัตตาเกิดกระดับอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าการรู้ความเกิดเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเกิดโดยปัจใจกับโดยขณะตัวโดยขณะคือตัวนิพพติลักษณะกับตัววิปริณำ ล, ลักษณะก็คือตัวกรรมมาชรูปนั่นแหละที่มันเกิดมันเ่อม แต่ว่ามันเกิดเสื่อมเพราะปัจจัยอาวิชาตัญหากรรมอาหารเรียกว่าปัจจัยตัวความเกิดความเสื่อมเรียกว่าขณะขณะกระดานจะเต็มไปหมดเลเกิดมานี่ไม่เคยทำงานส่งอาจารย์ออ น, น้นลายมือไม่ค่อยมีระเบียบก็เอาแต่ใจความก็พอมันก็แบ่งเป็นโดย ปัจจัยกับโดยขณะโดยปัจจัยคืออะไรอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดตัณหาเกิดรูปจึงเกิดกรรมเกิดรูปจึงเกิดอาหารเกิดรูปจึงเกิดโดยขณะขณะแบ่งเป็นขณะเกิดกับขณะเสื่อมขณะเกิดคืออะไรนิพพติลักษณะ ขณะเสื่อมก็คือวิปริณะมะแปลว่าโดยความเกิดกับโดยความเสื่อมพิจารณาความเกิดโดยปัจจัยละอุเฉททิฐิพิจารณาความเสื่อมโดยปัจจัยละสัสปะทิฏฐิเห็นความเกิดโดยปัจจัยว่าถ้ารูปเกิดถ้ า, าวิชาเกิดแล้วก็เห็นความเสื่อมโดยปัจจัยเรียกว่าเห็นอนัตตารักษณะอ่นะ โดยปัจจัยนะอนอนัตตาเห็นอนัตตลักษณะรู้อนัตตลักษณะถ้าเห็นความเกิดและความเสื่อมโดยขณะเรียกว่าเห็นอนิจจาลักษณะกับทุกคลักษณะนะอนิจจาลักษณะกับทุกคลักษณะก็คือเห็นไตร ล, ลักษณ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าเหตุดับผลของกรรมเหล่านี้ก็ก็ดับ นี่เมื่อเห็นความเกิดและความดับอย่างนี้ขึ้นอัญญาของผู้ที่มีมากจะไม่ใส่ใจในความเกิดแต่ใส่ใจในความดับเพราะฉะนั้นตามเห็นแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของของเน้นตัวรูปเลยนะเพราะฉะนั้นเห็นความเกิดความเสื่อมแห่งรูปโดยอํานาจของสันตตินะนะวนว่าเห็น ตรงนี้ต่อไปจะเห็นแต่เน้นไปที่เห็นความเสื่อมอย่างเดียวเห็นความเสื่อมโดยสันตติเนี่ยนะนเช่น ค, ความเสื่อมของกรรมสันตติความเสื่อมของกรรมสันตติเนื่องด้วยอาหารเนื่องด้วยกุโตเนื่องด้วยจิตเพราะนั้นตามเห็นความเสื่อมของ อาหารชรูปอุตูชรูปจิตแต่ชรูปเพราะว่ารูปทั้งหลายดำรงอยู่เนื่องแต่สมุธฐานานั้นๆถ้าสมุธฐานหรือปัจจัย น, นั้นๆดับไปหมดไปถ้าอาหารชรูปตัวปัจจัยอาหารมาหมดไปทําอะไรเป็นไงเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วเพราะว่าร้องหาปัจจัยใหม่นะร้องหาปัจจัยใหม่ก็หิวอีกถ้าเป็นอาหารชรูปนะถ้าอุตูชรูปล่ะร้อนไปเดี๋ยวก็หาเย็นเย็นไปเดี๋ยวก็ หาร้อนได้น้ำร้อนก็ขาดน้ำเย็นได้น้ำเย็นก็ขาดน้ำร้อนเป็นต้นนะนะก็หาตูวเชื้อโรอยู่นั่นแหละถ้าจิตแต่ชร้ปอะ่ะดีใจมากไปก็หาเรื่องเครียดมาคิดเครียดไปมากไปก็ไปหาเรื่องดีใจมาทําอย่างงี้ก็วนสลับกันอยู่อย่างงี้แหละรูปเลังเรียกว่าตามเห็นแต่ความเสื่อมไปของรูปตามสมุดฐานต่างๆนะตามเห็นแต่ความเสื่อมของรูปนะทั้งกรรมมาสมุดฐานจิตแต่สมุดฐานนั้นอเห็นแต่ความเสื่อมเรียกว่าอะไร ขยับเถนะสิ้นไปสิ่งใดไม่เที่ยงที่สิ้นไปสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาตามเห็นโดยความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาในสิ่งที่เสื่อมไปเมืม่อตามเห็นสิ่งที่เสื่อมไปโดยความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาอย่างนี้เข้าก็ เห็นรูปนะที่สิ้นไปเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ตาสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เห็นเพื่ออะไรเพื่อความเบื่อหน่ายนิพพิธาอ่านะความเบื่อหน่ายเนี่ยเราต้องการอยากได้รูปเพิ่มไหมไม่เอาแล้ยนะอันนั้นก็เป็นวิราคะไม่ต้องการไม่เพลิเพลินในรูปไม่ต้องการรูปเลยละชนิด ทีนี้ถ้าไม่ต้องการรูปจะสร้างหรือจะมุ่งจะสร้างหรือมุ่งจะดับก็มุ่งจะดับนะไม่ใช่มุ่งสร้างนะถ้าสร้างก็สมุทยัยนี่มุ่งดับก็เป็นเนโรธาโนปัสนาทีนี้มุ่งจะดับในที่มีอยู่นะทําไงดีบริจาคขึ้นนะบริจาค ก, ก็บริจาคเอาไว้กับโลกนั่นแหละไม่ต้องไปให้คนอื่นหรอกก็เป็นปฏิเนสคานุปัสนาะปฏินิสคานุปัสนา ถามว่าทั้งหมดที่ไปพิจารณาโดยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาโดยความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดโดยความดับโดยควา ม, าวามสละคืนทั้งหมดที่พิจารณาไปนั้นเนี่ยพิจารณาด้วยอะไรด้วยด้วยปัญญาปัญญาเกิดร่วมกับอะไรสัมปยุตต ธ, ธรรมที่สาคัญก็เกิดร่วมกับจิตวัดตามเห็นจิตตัวนี้อีกแหละถามเห็นจิตที่จะไปพิจารณาอย่างเนี้ยโดยความ สิ้นไปโดยความเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะตามเห็นความสิ้นไปความเป็นทุกความเป็นอนัตตาควรแก่การเบื่อนหน่ายและคลายกำหนัดเพราะฉะนั้นจะบริจาคแม้กระทั่งจิตที่เกิดร่วมกับปัญญาเนี่ยไม่ต้องการและไม่ต้องสรุปว่าไม่ต้องการขันห้าหลังก็มองเห็นขันห้าทุกขันนี่แหละเป็นภัทยที่น่ากลัวขันทุกขันเลยนะ เขาผู้ที่เจริญปัญญาตัวนี้ไม่ได้ไปนั่งเพลินแหมเมื่อวานนะ่ะหู้สติเกิดดีมากพิจารณาอะไรก็ชัดเจนที่ถึงแต่เมื่อวานดีไหมโอ้โหเมื่อวานทําไมเจริญดีหรือเกินเนะี่ยนั่งละห้อยหายอย่างนั้นไหมนายเต้นอันก็ตามเห็นแม้กระทั่งปัญญาที่เกิดเมื่อวานเป็นต้นก็สิ้นไปแล้วเสื่อมไปแล้วดับไปแล้วคลายไปแล้วไม่เที่ยงไปแล้วเพราะมันมีคนที่เรียกว่าเหมือนกับว่าคนเคยอิ่มมานะ หิ้วตลอดแม้กระทั่งคิดถึงแต่เมนูอาหารที่เคยกินมาอร่อยๆอเนี่ยดีไหมไม่ดีผู้ที่เจริญวิปัสสนาก็ในย่เดียวกันว่าปัญญาที่เคยเกิดนั้นก็จะต้องไอ้ที่เกิดไปแล้วก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวกไปเป็นธรรมดาก็ไม่ติดข้องแม้กระทั่งในปัญญาที่จะไปพิจรารณาตามเห็นปัญญาหรือจิตที่พิจารณาว่าเป็นสังขารขันเวทนาขันสัญญาขันสังขา ร, ข, ข, ารขันเนี่ยนะก็ตามเห็น จิตเหล่านั้นเป็นต้นเนี่ยโดยความสิ้นไปเป็นทุกข์เป็นอนัตตาควรแกการเบื่อหน่ายคลายกําหนัดเพื่อความดับแล้วก็สละคืนนั้นสละคืนขันทั้งห้าเ่็นไหมเห็นนางวันหน้าเบื่อหน่ายก็บริจาคขันท่าหมดเลยไม่เอาขันท่าไว้แล้วเพราะฉะนั้นยานเหล่านั้นก็จะเป็นไปโดยลําดับอย่างนี้อันนี้ก็ได้ว่าทําภาพรวมให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วก็จะได้ดูในในคัมภีร์ต่อไป